นะความชอบจมอยู่กับอดีตรหรือไปกังวลกับอนาคตนิสัยเก่านี่มันสะสมมาเป็นเวลานานยังไม่ต้องพูดถึงความเียงแก่ตัวนะอันนี้หรือว่าความเป็นคนมักโกรธเห็นแก่ได้นี่มันมันสะสมนานมากนะการที่จะถ่วนกระแส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 เราถูกฝึกหรือว่าถูกสอนมาตั้งแต่อยู่ในโรงเรียนแล้วนะให้ขยันคิดให้คิดเก่งๆ เ, นะเก่งในการคิดจกนกระทั่งความคิดนี้มันล้ำหน้าเราไปคือคุมไม่อยู่มันก็เลยฟุ้งซ่านได้ง่ายนะคิดเก่งจนกลายเป็นคิดฟุ้งซ่านนี่มันไม่ได้ไกลกันเลยนะ เพราะทำไม่ได้ฝึกอีกอย่างหนึ่งเอาไว้คือการฝึกสติให้รู้ทันความให้รู้ทันความคิดนล้คราวนี้อนั้นเนี่ยมันเมื่อความคิดฟุ้งซ่านมันถูกสะสมมา น, นานจนกลายเป็นนิสัยที่แก้ได้ยากมันต้องใช้เวลานั้นเราจะเราจะรีบไม่ได้ต้องรู้จักคอย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 พอมันไม่สงบก็กระสับกระส่ายขึ้นมาเกิดความไม่พอใจเดี๋ยวนี้แค่ห้านาทีก็ทนนั่งกันไม่ไหวแล้วนะเป็นอย่างนี้มากขึ้นเรื่อยๆอันนี้แสดงว่าไม่รู้จักรอคอยแค่ห้านาทีมันจะนานที่ไหนกันนะแต่ว่าอยากจะเห็นผลไวๆเนี่ย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 ก็ยากที่จะมีความขยันหมั่นเพียรได้หรือถึงมีก็มีไม่นานในการทําความสําเร็จทางโลกนี้มันก็ต้องอาศัยความขยันและความขยันก็ต้องอาศัยความรู้จักคอยนะเป็นตัวหล่อเลี้ยงคนที่ประสบความสําเร็จในทางโลกมีความเจริญก็น้าในชีวิตเขารู้จักคอยกันทั้งนั้นน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 ซื้อหนังสือในร้านหนึ่งนะซึ่งเป็นร้านที่มีสาขาทั่วประเทศเป็นร้านใหญ่มากนะในเมืองโอซาก้า hmm. ก็มีสาขาที่กรุงเทพที่เมืองไทยด้วยได้หนังสือมาสองเล่มนะก็ไปจ่ายเงินที่เคาน์เตอรนะ์เขาคิดรวมภาษีแล้วประมาณ3981เย็นนะมีมีมีเยนต่อท้ายด้วยเพราะมัน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 แยกแยะเหรียญเย็ดไม่ถูกนะมันมีทั้งเหรียญหนึ่งเยนสิบเยนยี่สิบเยนร้อยเยนห้ารอยเยนก็แยกแยะไม่ถูกใช้เวลานับนานก็เลยให้เพื่อนช่วยนับด้วยเพื่อนคนไทยก็นับแต่ว่าก็นับยังไม่เร็วเท่าไหร่สุดท้ายก็เลยเกงว่ า, าคนขายก็จะรอนานก็เลยให้คนขายช่วยนับใช้เสลย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 จนต้องฝ่าไฟแดงเดินข้ามถนนไปต่อเมื่อสัญญาณมันเป็นเป็นเขียวถึงค่อยเดินข้ามอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เห็นได้ทั่วไปนะเขามีความอดทนรอคอยนะสัญญาณไฟไนอะ้แบบนี้ก็ในเมืองไทยก็หรือในกรุงเทพ ย, ยิ่งแล้วใหญ่นะไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่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 เสียเวลาไปร้านอื่นดีกว่าหรือไม่ก็ไปเข้าเซเว่นซื้ออาหารกินแต่คนญี่ปุ่นนี่เขาคอยรอแมก้กระทั่งเรื่องเล็กๆในน้อ ย, อ, ยอันนี้มันมันมันเป็นภาพที่ตัดกับเมืองไทยมากทีเดียวคนไทยนี่ถ้าไปเราไปซื้อของแล้วเราจ่ายด้วยเงิน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 เพราะว่าเวลาแต่ละนาทีมันมีความหมายถ้าซอยเป็นวินาทีด้กเขาก็ทำก็ก็มาถึงเป๊ะเลยนะรถไฟนี่เป๊ะเลยแล้วก็ออกตามเวลาเป๊ ะ, ะตรงตามนาทีก็ดูเหมือนเขาเร่งรนะีบน่ะแต่ปรากฏว่าเขารู้จักคอยได้เป็นเป็นคนหรือเป็นชนชาติที่มีความอดทนรอคอยได้ได้นานทีเดียวท่านันที่ไม่ไม่น่าจะเร่งรีบได้ สมัยก่อนบ้านเราในชนบทก็ยก็คอยคอยเป็นคอยนานนะเคยไปออกค่ายในที่ขอนแก่นเนะมื่อสี่สิบปีก่อนก็ไปนอนที่บ้านผู้ใหญ่บ้านตอนเช้าก็รอรถโดยสารมารับเพื่อเข้าเมือง บอว่ารถมาถึงแล้วนะรถโดยสาร ม, มาถึงแล้วเรายังกินข้าวอยู่เลยผู้โดยสารก็เต็มเลยนะเต็มเต็มทั้งรถเลยแต่ว่าคนเขาก็คอยนะคอยจนกว่าเราจะกินเสร็จนะแต่เดี๋ยวนี้ในชนบทรถโดยสารก็คงไม่คอยแนะแต่ว่าในเมืองอย่างคูกโกกะหรือเมืองใหญ่ๆในญี่ปุ่นนี้เขาคอย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 หรือนักเขาก็คอรับชันนะถ้าอยากดังก็ต้องใช้เส้นสายหรือว่าบางทีก็ต้องเอากายเข้าแลกเอาตัวเข้าแลกนะเพื่อยากได้ดังเร็วๆอันนี้มันเป็นทางลัดคนไทยเดี๋ยวนี้นิยมทางลัดมากนะนกระทั่งนักเรียนนี่ทําการบ้านเดี๋ยวนี้ก็อยากให้เสร็จเร็วๆก็ทำยังไงก็ไปลอกเพื่อน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 นะเรียนภาษาต่างประเทศนี่เลยต้องใช้เวลาเลยมีคนหนึงเขาเปรียบเทียบไว้ดีนะเป็นคนญี่ปุ่นเหมือนกันก็ เ, เป็นผู้ที่รู้ภาษาเยอะมากนะภาษาต่างประเทศทั้งญี่ปุ่นทั้งไทยทั้งอังกฤษทั้งฝรั่งเศสอิตาลีเผอ่อบาลีสันสกิตก็รู้ด้วยเป็นอาจารย์ที่จุฬาตอนนี้กเกษียณไปนานแล้วมีคนถามว่าอาจารย์ทําไมมี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 ระ ล, ลึกได้ว่ากำลังทำอะไรอยู่ใช้เวลานานมากนะกินข้าวสิบห้านาทีไม่รู้เผลอเป็นร้อยครั้งกว่าจะรู้สึกตัวว่าเออกำลังกินข้าวอยูนะ่ยกมือสร้างจังหวะเป็นร้อย้อยครั้งนะมันก็เผลอครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ว่าก็ไม่ท้อไม่ท้อเพราะว่า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 เห็นผลไวๆถ้าเราวางความอยากที่จะเห็นผลไวๆลงได้เนี่ยเราจะสามารถคอยได้นานสามารถจะทาได้นานสามารถทาได้ต่อเนื่องได้นานถ้าเราวางความอยากที่จะเห็นผลไวๆมันก็ไม่มีความจะ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 เมื่อไรจะเสร็จได้ความคิดแบบนี้แหละความรู้สึกแบบนี้แหละที่ทาให้เป็นทุกกับการทำงานแล้วก็คอยไม่ไหวถ้าเราลงวางความอยากลงเสียแล้วก็ทําโดยใจอยู่กับปัจจุบันแน่นอนหลายคนมาด้วยความอยากไม่ใช่มาเพราะถูกบังคับมาเพราะอยากจะเห็นความก้าวหน้าในการปฏิบัติอยาก เห็นความสงบอยากมีความรู้สึกตัวอยากมีสติมีปัญญาแต่เมื่อเรามาถึงแล้วเราเริ่มยกมือสร้างจังหวะเริ่มเดินจงกรมก็วางความอยากนั้นลงเสียนะถ้าเรายังไปจดจ่ออยู่ความอยากก็แสดงว่าเรายังอยู่กับอนาคตไม่ใช่อยู่กับปัจจุบันอาการจราสติเนี่ยมันทำให้เรา รู้จักคอยและมีความเปลี่ยนไ้อย่างต่อเนื่องและสิ่งนี้สำคัญมากนะทั้งอย่างที่บอกไว้แล้วว่าสำคัญทั้งทางโลกและทางธรรมในทางโลกเราจะประสบความสำเร็จได้ก็ต้องรู้จักคอยเป็นนินสัยก็เคยมีการทดลองที่สำคัญมากนะเมื่อสัก4ี่สิปีที่แล้วทกลองกับเด็กอ า, อายุสี่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 แล้วก็อ้วนน้ำหนักเยอะเพราะว่าเห็นอะไรก็อยากกินนะอดทนอดกลั้นไม่เป็นกินใหญ่กินพวกขนมนข ย, ยนะจนกินจนอ้วนนะพอโตขึ้นมาคนกลุ่มนี้ก็สูบบุหรี่เยอะติดเหล้าก็มากในการที่กลุ่มที่มีความรู้จักเราคอยนี่เขาการติดพวกบียมุกก็น้อยกว่า ผลสอบข้ามมาอัฒเลยก็สูงกว่าศูนเป็นสองรอยจุดเลยนะกว่ากลุ่มแรกนี่อัตราเฉลีย่ยเขาตามเป็นข้างเวลาจบเรียนเรียนจบมหาอัฒเลไปทํางานก็บกว่ากลุ่มที่มีความรู้จักคอยได้ตั้งแต่เล็กนี่ก็มีความสําเร็จในการงานได้ดีกว่ามากกว่ากลุ่มที่คอยไม่เป็นกลุ่มที่คอยไม่เป็นนี่จํานวนไม่น้อยก็เหียอไม่จบมหาอัฒเยนะอยู่ตรงที่ไม่เหีือไม่จบมัธยมได้ซ้ํา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 ชีวิตและตารางการปฏิบัติมันก็จะช่วยกล่อมเกลาให้เรารู้จักคอยได้นะยิ่งถ้าเราอยากจะปฏิบัติทำอย่างมีความสุขนะไอการรู้จักคอยนี่สำคัญมากนะเพราะถ้าอยากเห็นผลไวๆนะจะทำได้ความทุกข์ทุกที่มันไม่สงบสักทีทุกเพราะว่าความฟุ้งซ่านมันเยอะเหลือเกินนะ ลองนะลองวางความอยากลงนะแล้วก็อยู่กับความฟุ้งซ่านให้ได้นะอยู่กับมันไม่ใช่ทําตามมันนะไม่ใช่ปลนเปลือมันหรือว่าคล้อยตามมันแต่ว่าอดทนกับความฟุ้งซ่านนะขณะเดียวกันก็ทําไปเรื่อยๆนะ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 ก็จะไม่พอใจพอฟุ้งซ่านเผลอฟุ้งซ่านก็จะหุดหงิดนะอันนี้เพราะอะไรเพราะว่าอยากให้สงบอยากให้ไม่มีความฟุ้งซ่านนะง้นถ้าเราทําด้วยท่าดีแบบนี้นะเราก็จะนอกจาก จ, จะมีความทุกข์แล้วนะการปฏิบัติมันก็จะเนิ่นเช้าไปเพราะอย่างที่บอกไว้แล้วว่ายิ่งอยากได้กลับไม่ได้